ที่นกำมาครับในวัสดที่หน้า167เจ ที่เขาไม่ได้ปรณนาไว้ก่อนพึงเข้าไปหาช่างหูในหมู่บ้านนั้นแล้วถึงการจัดใจในจีวอนว่าแน αι, โยจีวอนผืนนี้เขา ที่มีการเสียสละเป็นวินัยกรรมอริสกี้ไปดีรครับในคําว่าที่มีการเสียสละเป็นวินัยกรรมเนี่ยแปลจากคําว่านริสกีครับ เขาจ้างช่างหูให้ทอจีวังเพื่อพิสูจนะนะทีนี้พิสูจเกิดรู้เข้านะครับโอ้ยโยมนะเขาไปจ้างช่างทอผ้านะให้ทอจีวังมาถวายเราหรอเขาไม่ทำถวายนะแต่เขาไปจ้างคนบอกช่างทอผ้ากองเนี่ยในการทีนี้พิสูจนนี้เกิดรู้รู้เขานะครับก็เลยเข้าไม่ได้ย่าไม่ใช่บัวนาเลยก็เข้าไปหาเข้าไปหาใครครับไม่ได้ไปหาเ้าภาพนะไปหาช่างหูกนะครับ ก็ปหาช่างทอผ้าของนั้นเลยแล้วก็จับแจนะครับว่าโยมเนี่ยว่าเขาบอกเข้าไปนะว่าทีวะของฝืนนี่นะที่คนนั้นเขมาสั่ก็ช่วนขอให้อาตมาี่แหละท่านจะทอให้ยาวด้วยให้กว้างด้วให้แน่นด้วยนะครับความที่เป็นอาน์บิทคือในสามข้อนะไปบอกช่างหูนะให้เขาทอชีวะให้ยาวให้กว้างให้แน่นนะครับเพราะว่าถ้าบอยให้เขาทอให้ยาวให้กว้างให้แน่นขึ้นเนี่ยมันต้องเพิ่ม ว่าย่อเขาเนี่ยเข้ากางได้ไม่แค่นี้ใช่ไหมครับประมาณนี้นะมันก็จะทอจีวออกมาผืนได้แค่นี้นะยาวสุดกว้างสุดแน่นสุดมันจะได้แค่นี้นะครับเยอะกว่านี้ไม่ได้อันนี้พ่สูจน์ใบจัดแจงไม่ได้บหมาะเจ้าภาพหรือตองแต่ใบจัดแจ้ ง, จ ง, ง, จจงช่างหูนะครับให้เพร า, วานะว่ายาวขนาดนี้แล้วกว้างขนาดนี้แน่นขนานี้แน่นหรือว่าหนานะครับมันต้องเพิ่มได้จะทําทได้เมื่อต้องเพิ่มได้เนี่ยช่างเขาภาพเขาจะทำยังไงนะ เขาต้องไปทวงกับเจ้าผ้านั้นใช่ไหมครับบอกว่าได้ไม่พอนะต้องเพิ่มได้เข้ามาอีกเพราะว่าเนี่ยเราต้องเพิ่มได้ปไปนะครับเพราะผ้ามาสั่งกัไว้แล้วให้ <c oughs> บอกว่าอย่างนี้ต้องเพิ่มขอเพิ่มเนี <c oughs> ่ยนะครับมันจะเป็นอา บ, บัตตอนที่ช่างผูกนะเข้าไปขอได้เจ้าผ้า น, นเพิ่มนะครับแล้วก็มาทอนะมันจะเป็นตัวนี้ออกมาชัยยันมาเชฟโงนานนะครับแต่นี้ในการที่บอกช่างผูกนะ ให้ทอให้มันขึงให้ตึงดีพุ่งกรสวยให้เสมอหรือว่าจงสารสาหมายถึงว่าปัดออกไปปัดให้เรียบร้อยให้ดูดีนะครับไอ้พวกนี้ไม่จำเปการเพิ่มได้นะแค่ใช้ฟิ้งมืออะไรง่ายเขาทำให้สุดฟิ้มือเลยนะให้มันตึงดีดีให้มันเสมอให้มันแตยเรียบร้อยนะครับพวกนี้ไม่ได้เป็นอามุ น, นะครับส่วนคําที่ว่านะเออแม้เราอาจะให้สิ่งของเล็ก น, น้อยแก่พวกท่าน ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นประมาณนะเป็นการพูดถึงว่าการไปร่อเช่าเขาพ่าเฉยรอยเขาทําตามเราใช่ไหมโ <c oughs> อเ้เนี่ยแต่เนี่ยทําแม่ตมาเนี่ยตมาจะมีอะไรที่บ้านนะเ <c oughs> เป็นรางวันนะครับแม้แต่ ว, ว่าอาหารมิลลิบา ย, าาายาาให้เขาเพื่อเขาจะอยากจะทําล้วจะทําเป็นรอนี้เมื่อกลัรแล้วก็ไปให้จรนะิงนะความจริงแม้เราจะไม่ได้ให้อะไรเลยก็แล้วแต่ ตอนนี้ไม่ใช่ประมาณไม่ใช่ประเด็นสําคัญเลยเป็นประเด็นสาคัญตรงที่เราไปจัดแจงขี่้างขอผ้าแล้วได้เขาไม่พอแล้วก็ไปทวงเพิเม่มว่าเจ้าผ้านะครับก็จะเป็นดาวัดต่อนั้นวันได้ผ้ามาก็เป็นที่เชื่อไปดีในสาาบทนี้ครับนะครับนาะไม่เป็นไรต้นบรรยากานี้แค่ว่าคู่นี้ก็แล้วกันเพราะว่าวันนี้ในความมีได้เชื่อมฝนะครับแล้วมันจบไม่มี่วันนะ ชีวิตเนี่ยแค่ไปอยู่กับหลอนะถ้่ไไปอยู่กับพันแต้สิแค่ไปอยู่กับพันเต้แล้วมีช่องต่อ